ผู้ดีที่มีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปนั้นคือมีน้ำใจรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันธรรมดาคนที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นบางคนเราก็เคยใกล้ชิดด้วยบางคนก็ห่างเหินเกินไปบางคนสูงสักบางคนก็ต่าต้อยบางคนฉลาดหลักแหลมบางคนโง่เขลาเบาปัญญาบางคนมีคุณธรรม